สมาธิมันล้ำหน้าไปต้องฝึกให้มีสติให้มากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปทําสมถะไม่ใช่ไม่ทําเลยนี่บางทีเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราไปคุยต่อไปเล่าต่อไปทําความสับสนวุ่นวายขึ้นมายกยนะิ่งพ ว, วพวกร้อนวิชานี่มีสองพวกนะพวกอินโนเซน์พวกหนึ่งกับพวกร้อนวิชาพวกร้อนวิชาที่น่ารังเกียจนะเพี้ยวไปเขี่ยวเข็นคนอื่นให้เปลี่ยน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 เพลัดวันศุกร์อยู่ที่นี่วันเสาร์วันอานทิตย์อยู่อีกที่หนึ่งเอาเวลาที่ไหนภาวนาไม่ทำพวกนี้ไม่ภาวนานะเที่ยวคุยเที่ยวร่อนไปเลยแล้วสร้างปัญหามากมายเลยนะบ่นซะหน่อยนี่เขาเรียกว่าความอัดอั้นของชายแก่ <c oughs> <c oughs> ต้องเทศสิอนอะ่ะน <c oughs> <c oughs> ึกว่าจะตรวจกันบ้านละ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 พิมครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยลืมวันนี้ลืมไปดู <laughs> หน้าเจ <laughs> ็ดสิบเจดต้องบอกหน้าแล้วเดี๋ยวนี้อ้างท่านสอนคารวะบอกปกติท่านสอนค า, ว า, กกานนราวะาท่านสอนทานเรื่องสีเรื่องภาวนาการภาวนาของคารวะที่ท่านสอนนะให้มีสติดูจิตนะให้มีสติ ด, ดูจิตแต่ท่านมีบริกรรมด้วยนะหรือรู้ลมหายใจไปด้วยนะบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วจิตขยับเพรียงเคลื่อนไปเรารู้ทัน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 แต่ถ้ามีสติจริงๆนะสิ่งที่เป็นสีเนี่ยจะอัตโนมัติเลยถ้ามีสติจริงๆนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติได้ด้วยเพราะเมื่อไร่จริตเราฟุงา้งซ่านเรามีสติรู้ทันนะความฟุ้งซ่านจะดับจิต จ, จะตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธินะเนั้นดูจิตดูจิตไปได้สมาธินี่บางทีครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกเฮ้ย hey, ดูจิตเป็นสมถะนะถูกของท่านนะดูจิตเป็นสมถะถูกของท่านแต่ถ้าดูเป็นก็เป็นวิปัสสนาได้